ปัญหาที่สี่ถามถึงความเป็นพรหมจารีของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนัเกเสนพระพุทธเจ้าเป็นพรหมจรีคือเป็นผู้ประพฤตเหมือนกับพรหมจริงหรือไม่ขอถวายพระพ ร, พรจริงถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นสิทธิของพรหมนะสิขอถวายพระพรช้างทรงของมหาประพิสมีอยู่หรือ มีอยู่พระพูเป็นเจ้าช้างทรงของมหาบาพิษนั้นมีเสียงร้องเหมือนเสียงนกกระเรียนในบางคราวหรือไม่อ๋อบางคราวก็มีเสียงร้องเหมือนเสียงนกกระเรียนพระพูเป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นช้างของมหาบาพิษก็เป็นสิทธิ์ของนกกระเรียนน่ะสิไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษ พระพุทธเจ้ากระพฤติเหมือนพรมก็จริงแต่ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของพรมขอถวายพระพรพรมนั้นได้ตัดสรู้ด้วยตนเองหรือไม่ไม่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพรมก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าถูกแล้วพน่ากเกษ